f 0 languages. 7จ็ดต้องเย็นาดูอาวสช์ยาวากิมาดูต้องอาวสช์ดิฉันต้องส่งจดหมาย นานูยีกค่างดวันหนูคดลุหิสเลเบกูี่ฉันต้องจ่ายค่าโรงแรมนานอาวสตย์ที่กหนาคเลบกคุณต้องตื่นแต่เชา้นานี่นูเบลิเกเกะเบกาเยลเลเบกูคุณต้องทำงานมากนี่นูตุมบาเคลสามาดเลเบกู คุณต้องตรงเวลานี่นู้กาลนิสตนาจีอิรเล่เบกุเขาต้องเติมน้ำมันเอาโน้ ต, ตันนักการนู้ดิเปริมาดีโคลลาเบกุเขาต้องล้างรถเอาโน้ตันนักการนู้ตุเรียเบกุ เธอต้องซื้อของอาวลูลคุณตุกอลลาบกูเธอต้องทำความสะอาดอาพาร์ตเมนต์เอาว้ลูไม่แน่โน้สวัสจกลิศเบกูเธอต้องสักเสื้อผ้าเอาว้ลูบัตเต้ลนูวอเกียเบกูเราต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้ วยีูดเลชาเลเก่ g a บกเราต้องไปทำงานเดี๋ยวนี้นาวูยีูดเล่เลสสกเ g a บกเราต้องไปหาหมอเดี๋ยวนี้นาวูยีูดเลไวดเดรบลีฮ g a บกพวกคุณต้องรอรถเมล์นี่วูบัสเก่กายเบกู พวกคุณต้องรอรถไฟนิวูเรลูกาดิเ ก, ก้ายเบูพวกคุณต้องรอรถแท็กซี่นิวูแท็กซี่เ ก, ก้ายเบู